ท่านสาวธิชนมทดบริษัททั้งหลายและบรรดาเพื่อนพิสุสมเณีทั้งหลา ย, ลานนลายวันนี้ตรงกับวันที่ส7เจดกรกฎาคมสอง7ห้ายิเจ็ดที่บอกนี่ก็หมายความว่าเป็นวันที่ทำงานที่คุยกันเมื่อวันนี้เรื่องมาหยุดอยู่ ตอนถึงปเุเพนิวาสานุสติยานสำหรับปเุเพนิวาสานุสติยานนี่ความจริงมีประโยชน์มากในการช่วยในการตัดกิเลสเพราะว่าคนเราส่วนมากเป็นผู้เมาในชีวิต <c oughs> ไม่ได้คิดว่าชีวิตนี้มันจะตาย ถ้าใช้เราใช้กำลังเขาปุกเพนิวาสานุติยานคือ <c oughs> การอรรถชาติถอยหลังว่าชาติไหนเราเกิดเป็นอะไรมีทรัพย์สมบัติแบบไหนมีพ่อเฉยไรมีแม่เฉยไรชีวิตของเราเป็นยังไงมีความสุขหรือมีความทุกข์ การเกิดแต่ละครั้งบางครั้งเรามีชีวิตรุ่งเรืองมากในความเป็นมนุษย์แต่บางคราวเราก็ทุดโสมมากต่ําต้อยด้อ ย, อยวาสนาแต่ก็มาเทียบเคียงกันว่าชีวิตในการรุ่งเรืองก็ดีการต่ําต้อยน้อยวาสนาก็ดีมันดูทีแล้วว่าชีวิตไหนพ้นจากความแก่ พ้นจากความป่วยพ้นจาการพัดพรา่จากของรักของชอบใจพ้นจากความตายมีไหมเพราะนั้นว่าดูไปแล้วเราก็จเจนว่าไม่พ้นจริงๆแล้วก็ลองถอยหลังดูว่ามีชาติใดบ้างที่เราไปเกิดเป็นทุกขเวทนาในอบายภูมิสี ี่เกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นนสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วก็ถอยหลังไปดูอีกว่าการที่เราเสวยทุกขเวทนาแบบนั้นเราทำความชั่วอะไรไว้แล้วก็นรกแต่ละขุมจะทราบว่าเราไม่ได้ไปครั้งเดียว การเป็นเปรตแปะสุรกายเป็นสติฉันก็ไม่กันเป็นหลายประเภทเมื่อพิสูจน์แบบนี้ความเมาในชีวิตมันก็ไม่มีจะมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าการเกิดเป็นมนุษย์นี่มันไม่ดีถ้ายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ความทุกข์แห่ความเป็นมนุษย์ก็มีมากอยู่แล้ว แค่ว่าสิ่งที่เราจะแสวงหาจากความเป็นมนุษย์นั่นคือความร่ํารวยในทรัพย์สินความเป็ผู้มีอํานาจวาสนาบารมีแต่ในที่สุดเมื่อเราตายแล้วนําอะไรไปได้บ้างบางชาติเราเป็นมนุษย์ที่มีความร่เรืองมีอํานาจวาสนาบารมีมากแต่ว่าพอตายจากความเป็นคน เราก็ไปสเสวยทุกขเวทนาในนรกบางชาติเราเป็นคนเต็มด้วยความทุกขยากมีความยากจนเขินใจตำต้อยน้อยวาสนาแต่อาศัยการเจียมตัวเจียมใจพระพุติอยู่ในความดี <c oughs> ตายจากความเป็นคนเราก็ไปเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมแล้วก็เรามาพิจารณาดู ว่าการเกิดเป็นอะไรก็ดีมันดีตรงไหนบ้างเป็นเทวดาแล้วผมมีความสุขทุกอย่างเป็นทิพย์่ความสุขในความเป็นเทวดาแล้ผมเราทรงได้ตลอดไหมถ้าทรงได้ตลอดเราก็ไม่ต้องมาเกิดเป็นคนรวมความว่าการเป็นเทวด า, ดวาก็ดีการเป็นพระคนดีเราก็เป็นกันคนละหลายชาติ อาจจะเป็นแสนแสนชาติถ้ามาวัดกันจริงๆว่าสุสขคติกับทุคติเราเสวยผลไหนมากกว่าต่อหลังไปจริงๆเย็นว่าทุคติมากกว่าสุขคติคือเกิดในอบายภูมิมากกว่าเกิดในสวรรค์กับลมเราเกิดเป็นสัตว์เลี้ยงช้านมากกว่าการเกิดเป็นมนุษย์ <c oughs> ตอนนี้เราก็จะรู้ความไม่แน่นอนของชีวิต ความจริงชีวิตเป็นของแน่นอนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงสิ่งที่ไม่แน่นอนก็คืออารมณ์ใจของเราอารมณ์ใจของเรามันเลวไม่ยอมรับนับถือตามความจริงก็เป็นรู้ว่าการใช้ปุถุภณีวาสานุติยานมีประโยชน์ สำหรับประพิวิวาสานติญานีขวัรดาเพืพ่อนพิสุสมเณีทั้งหมดจงทําให้คล่องการทําให้คล่องในกระไม้ความท่าใช้อารมณ์ต้องการเมื่อไรรู้ได้ทันทีเมื่อนั้นแต่ทั้งนี้เวลาฝึกต้องฝึกการทรงตัวของชือของสมาธิการทรงตัวและการตั้งเวลานี่มีความสําคัญ การทรงตัวและการตั้งเวลาให้ใช้เวลาน้น้อยในระยแะแรกโดยจับนิมิตทางที่ดีก็คนจับนิมิตคือกสินนิมิตจริงๆเราจะใช้อะไรก็ได้สมัยนี้ใช้ง่ายๆเราไม่มีพระพุทธปฏิมา ก, ก่อนคือพระพุทธรูปเป็นประธานอยู่แล้วเป็นการแทนองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้ว ถ้าเราต้องการความแจ่มใสของธิปจุกุญานอันนี้มีความสําคัญให้ใช้พระพุทธรูปที่เป็นแก้วสีใสพระแก้วสีใสนี่เป็นได้สองอย่างถ้าเรามีความรู้สึกว่าขาวเป็นเป็นโ อ, น อ, นอทาจกสินถ้าเรามีความรู้สึกว่าใสเป็นอาโลกสินก้ะสินทั้งสองอย่างนี้ เป็นพื้นฐานแห่งทิพยญญานเหมือนกันเป็นปัจจัยเกิดทิพยานและทำทิพยญญาณให้แจ่มใส <c oughs> เวลาที่เราจะจับภาพพระพุทธรูปก็จงอย่ายอมขาดทุนนั่นก็หมายความเราเอาทั้งกระสินและเอาทั้งพระพุทธรูปเสร็จ คือเรามีความรู้สึกว่าท่านเป็นพระพุทธรูปหรือเป็นพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นพุทธานุสติกรรมฐานถ้าเห็นสภาพของพระพุทธรูปเป็นแก้วเราเข้าใจว่าขาวเป็นโอโอธาเทกสินถ้าเรามีความรู้สึกว่าเป็นใสเป็นอาโลกสินคือลงความว่าจะเป็นกสินอะไรนะั่นไม่สำคัญสำคัญจับรูปพระพุทธเจ้ากับความใสให้ปรากฏ วิธีจับภาพพระพุทธเจ้าความใสอันนี้ขอแนะนำไม่น่อยหนึ่งนั่นก็นหมายความว่าอย่าหลงกายเกินไปจงอย่าบังคับกายว่าต้องนั่งแบบนั้นต้องนั่งแบบนี้ห้ามนอนห้ามเอนห้ามห้ามยืนห้ามเดินอันนี้ไม่ถูก <c oughs> เรื่องทางกายที่เรายังไม่ใช่พระอรหัน แต่ความจริงพระอรหันต์ท่านก็ต้องการความสุขของร่างกายเหมือนกันอย่าฝืนกายถ้าฝืนมันปวดมันเมื่อยขึ้นมาแล้วก็สมาธิมันจะไม่ท่งตัวถ้าเราทำอยู่ที่กุติของเราเองหรือว่าทำที่บ้านของญาติโยมพุทธบริษัทนั่งตามสมบายนอนตามสมบายจะนั่งคนได้จะนอนคนได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้การนั่งจะนั่งในลักษณะไหนก็ได้ แต่โปรดอย่าเหยียดเท้าไปทางพระพุทธรูปแล้วกันนั่งเก้าอี้ก็ได้นั่งห้อยขาก็ได้เองนกายก็ได้อันนี้ไม่เลือกวิธีปฏิบัติจริงๆย้ายเครียดถ้าเครียดผลจะเสียหลังจากนั้นอาจารย์ลืมตาดูพระพุทธรูปจำทั้งองค์ไม่ต้องจำมาตั้งแต่เสียนบ้างหนับพักบ้างคอบ้างอันนี้ไม่ต้อง ตามนี่เขาดิ้นไหกันเคยได้ยินว่าจับข้างบนมานิดหนึงก่อนดูเกตจับเกตได้เลยมาถึงหน้าผากอันนี้ไม่จําเป็นท่านมองแต่องท่านไม่กว้างเกินสายตาวงตาของเราแสงสว่างของวงตาของเรากว้างกว่ า, งวาองค์พระพุทธรูปท่านจับทีเดียวเต็มองค์เลยลืมตาโดยชัดตั้งใจจําภาพ แล้วก็หลับตาพร้อมกันนั้นก็ใช้คำภาวนาคำภาวนาว่าอย่างไงเป็นเรื่องของท่านแต่ว่าพูดในที่นี้พูดเป็น ก, กลางกางเจ้าภาวนาว่าพุโทโธสัมมาระหังหรืออิติสุขโตอะไรได้ทั้งหมดนโมทยะนมะวะทัยก็ได้ทั้งหมดไม่จากัดแต่ว่าสำหรับท่านที่ฝึกวโนยจิธิ ให้ใช้คำภาวนาวนาาาาัะมะพาทะรู้ลมให้ใจเขาออกไปด้วยรู้คำภาวนาไปด้วยในตัวเสร็จเนื้อจิตก็จำภาพเมื่อจับภาพได้นึกถึงภาพให้มีความสว่างตามคนต่อมารู้สึกว่าภาพเลือนไปจากใจ <c oughs> เมื่อภาพเลือนไปจากใจก็ลืมตาดูใหม่จำได้แล้วก็หลับตานึกถึงภาพพร้อมกับภาวนาก็รูล้ลมหายใจเข้าออกถ้าหลับหลั บ, ล, บลืมลื ม, ลมเข้าใจไว้จำได้แน่ <c oughs> ก็เข้าที่พักเข้าที่นอนก็ได้นอนแบบสบายจิตใจน้อมนึกพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วก็นึกถึงภาพที่เราจําได้จึงกว่าจะหลับไปที่ใช้คำ ว, ว่าจนกว่าจะหลับไปนี่มีประโยชน์แต่บางเออที่เกิดอารมณ์กลุ่มมีอารมณ์ฟุ้ง้่านม่อเกินไปทําไปทําไปไม่นานนักจับภาพได้ไม่สมตัวรอรมณจิตมันฟุ้งซ่านถ้าจิตผู้งซ่านคุไม่อยู่จะฝืนเลิกซะเลยถือว่าระยะนั้นเอาเท่านั้น แต่ว่าถ้าเวลาไหนใจสบายก็นึกถึงภาพพระพุทธรูปที่เราต้องการจับอย่างนี้ฝึกวัตทุกวันมีการทรงตัวถ้าจับภาพได้ชัดเจนตามกำลังครั้งหนึ่งสักสามนาทีหรือห้านาทีไปที่หน้าขอใจแล้วต่อไปต่อไปนานๆก็อาจจะขยายไปถึงครึ่งชั่วโมง ถ้าสรงอารมณ์จับภาพได้ถึงครึ่งชั่วโมงจะเก่งมากถ้าจับภาพพระพุทธปฏิมากรได้ต่อไปก็นึกถึงภาพองค์สมเด็จพระสัมมาทัตพุทธเจ้าโดยตรงขอภาพพระองค์มาปรากฏเฉพาะหน้าของเราให้เห็นภาพพระองค์สมเด็จพระสัมมาทัตพุทธเจ้าชัดเจนแจ่มใส โดยชัดเจนแจ่มใสต่ตําตั้งกาลังยิ่งชัดแปลว่าเท่าไรอย่างดีอย่าลืมว่าการเห็นพระพุทธรูปก็ดีการนึกถึงภาพพระพุทธเจ้าก็ดีชัดเจนขนาดไหนน่าแสดงว่าจิตสายขนาดนั้นและเวลาที่เราจะดูเทวดาและดูผมเราจะเห็นขนาดนั้นเวลาที่ใช้กําลังรูปปั้นในวาสานุสติสติญาณ ภาพถอยหลังและชาติเกงก่อนของเราเราจะเห็นชัดเจนแจ่มใสเท่าภาพพระพุทธรูปและภาพพระพุทธเจ้าที่เราที่เราเห็นอันนี้ขอบรรดาลท่านพุทธบริษัททุกท่านต้องทำอย่างนี้เป็นประจําไม่ใช่ว่ามาฝึกวันสองวันก็นบอกหลวงพ่อยังไม่ชัดเจนแจ่มใสนั่นพอเริ่มต้นขาให้รู้จักการปฏิบัติ แล้วการจะคล่องตัวแล้วไม่คล่องตัวความจำใสความเป็นทิพจะดีหรือไม่ดีทุกคนต้องฝึกเอาเองไม่ใช่จะมาทําเด็ก อ, อ่ อ, อนแบบนั้นออนแบบนี้อย่างนี้ไม่มีใครเขาครบรองความว่าคนต้องการเกาะต้องการจูงต้องการอุ้มเนี่ยไม่มีใครเข้าใจโดยเฉพาะอย่างเยี้ยาตมาไม่เอาใจใครในเรื่องนี้ ถ้ากําลังใจไม่ดีพอก็จงอย่าทําที่ทํานี่ไม่ได้รับจา้างที่แนะนํานี่ไม่ได้รับจา้างแนะนําด้วยการสงเคราะห์แต่บางคนก็อ้อนเกินไปอันนี้ใช้ไม่ได้เราทราบถี่กําลังใจว่าตมาดีว่าอาตมาไม่ต้องการคนมีใจอ่อนแอแบบนั้นเราต้องดูคนอื่น เขากินข้าวเราก็กินข้าวเขามีนิว้วมือมือละห้านิว้วเราก็มีนิว้วมือมือละห้านิว้วเขามีอาการสามที่สองเราก็เช่นเดียกับเขาถ้าทำไม่ได้จงรู้ตัรู้ตัวเราเลียวเกินไปความเลวมาจะไหนมาจากการย่อหย่อนไม่ยอมต่อสู้กับกิเลสโดยเฉพาะอย่างยิ่งอารมณ์ที่มวัวมาจากหนึ่ง จิตมีกังวลเรื่การที่สองสินไม่บริสุทธิ์รายการที่สามนิวรณ์เข้ามาครอบงําจิตเรื่การที่สี่อารมณ์ขาดเจากพรมิหารสี่ถ้าอารมณ์ทั้งสี่เรายการที่บกพร่องแสดงว่าเราเร็วเกินไปขอทุกท่านจงเข้าใจตามนี้นะจงอย่าไปโทษใครอย่าไปโทษครูบางคนกัครูสอนไม่เหมือนกันบ้าง ป็นความเลวของเราถ้าไปโทษเขามากเราก็เลวมากพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าอัตนาจโจทยาตาหนังจึงกล่าวโทษโจยความผิดตนเองไว้เสมออัตาหิอัตโนนาโถตนแล้วย่อมเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถบรสิยาผูกคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้ อัตตาหิสุทันเตนะเมื่อเราฝึกฝนตมดีเราใสานาถังและปฏิทุนภังย่อมได้ที่เพื่องที่บุคคลอื่นได้โดยยากฉะนั้นทุกคนจงทราบว่าเราเท่านั้นที่จะดีหรือไม่ดีเราต้องทำเองพระพุทธเจ้ากสรสอนัดว่าขาตาโรถถาา ต, าตถาคาตาตถาคตจะไปได้เพียงผู้บอกฉะนั้นขอทุกคนนี้ปฏิบัติ อย่าทำใจมันเด็กอ่อนถ้าทำใจมันเด็กอ่อนแทนที่รับความเมตตาปรานีเขาจะทานโทษคำพูดตามสรรพภาษาชาวบ้านแทนที่มีความเมตตาปราณีกับจะคลื่นไส่มากเกินไปเพราะว่าการทำอะไรไม่จริงไม่จังอันนี้ไม่ต้องการหรือไม่ต้องการจริงๆไม่ต้องการคบหาสมาคมกับบุคคลประเภทนั้นด้วย ดันั้นเพราะว่าคนประเภทนี้มีอย่างเดียวคือทวงความดีเขาผู้คนอื่นจงจำไว้ว่าจริยาที่เราจะต้องสนใจหนึ่งยามปกติเราจะไม่สนใจในจริยาของบุคคลอื่นใครเขาจะดีใครเขาจะเลวเป็นเรื่องของเขาส อ, องอย่ายกปมข่มท่านสาอย่าถือตัวเกินไป นี่อย่างย่อความดีขนาดนี้เป็นสะเก็ดความดีในพระพุทธศาสนาแต่เปลือกความดีในพระพุทธศาสนาก็คือว่าหนึ่งไม่มีกังวลสองไม่ทําลายศินตัวเองไม่ยุยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นทําลายศินไม่ยินดีเมื่อคคอื่นทําลายสินแล้วลนี่ไร้สาระกับตีวอนโดยฉับพลันเมื่อต้องการความเป็นทิศของจิต ขณะใดที่จิตต้องการสมาธิไอสมาธิปัจมัยทิพย์แตมันมาจากสมาธิมีความตั้งใจจิตสะอาดถ้าต้องการจิตเป็นทิพย์แลอต้องการสมาธิต้องระงับปีวอนไดทันทีทันใดและจิตทรงพรมิหารสีเป็นปกติตลอดวันกําลังใจเขมัรดาแานพุทธบริษัทได้อย่างนี้ชานสมาบัตจจะสองตัว คำว่าเศ้าหมองไม่ผ่องใสกําลังใจไม่เสมอการสาวา่างบางมืดบ้างบัวบ้างจะไม่มีจะมีแต่คําว่าผ่องใสเรื่อยขึ้นไปตามลาดับความดีขนาดนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นความดีขั้นเปลือกของคำ ข, ข, ของพระุทธศาสนาตอนนี้มาปุบเทนีวาสานุติยานการลึกชาติได้ พระพุทเจ้บอกว่าเข้าถึงกัปปีของวัฏศาัสนาที่เราปฏิบัติเข้าถึงกัปปีถ้าจุตูปปาติยาน <c oughs> ที่ผ่านมาแล้วเห็นได้ยินชื่อคนและสัตว์ทราบได้ทันทีว่าท่านผูนี้ก่อนเกิดมาจากไหนยินชื่อคนตายทราบได้ทันทีว่าท่านผูนี้มาจากตายแล้วไปไหนอันนี้เข้าถึงแก่นแก่นนี่เป็นฌานโลกี ยังไม่ดีพอเวลานี้เราก็พูดกันถึงอภีตอนนี้มาว่าเรื่องการซักซ้อมการซักซ้อมต้องมีคล่องเห็นคนที่เขามีความร่ำรวยมีความสุขแต่ความจริงคนไม่มีความสุขมีความทุกข์ถือว่าฐานะเขาดีก่อนแล้วกัน เราก็ลองคิดว่าชาติไหนบ้างที่เราเคยมีฐานะอย่างนี้เมื่อนึกปรับให้ทราบทันทีเห็นภาพทันทีว่าอ๋อความร่ํารวยอย่างนี้เราก็มีเหมือนกันแล้วก็ถอยหลังว่าไอ้ตอนที่เราร่รํารวยมันเป็นสุขและเป็นทุกข์แล้วทรัพย์สมบัติทั้งหลายเหล่านั้นมันอยู่ที่ไหนเห็นคนจน นึกถึงภาพจับจิตทันทีว่าเอ๊ะที่เราเคยจนแบบนี้มางไหมภาพนั้นจะปรากฏนึกถึงสุ น, นักเราเคยเกิดเป็นสุ น, นักบางไหมเห็นอะไรนึกตามทุกทีให้มันได้ทันทีทันใดต้องซ้อมให้คล่องเพื่อเอาจริงๆซ้อมให้คล่องเห็นปรับนึกปับเห็นทับนึปรับแต่ว่าจะลืมตอนเช้ามดืด ตอนชเช้ามืดเป็นเวลาที่มีความสำคัญมากเราตื่นตื่นจากนอนหายจากความเหน็ดเหนื่อได้ พ, พักผ่อนจากการหลับตื่นมาแล้วจิตสะอาดตั้งใจในำมัตสการพรัตนาไตรให้ดีและงับยวรอนทันทีทันใดจิตไม่มีกังวลสิ้่วัยสุดอารมณ์ทรงพรมีหามสีครบพนให้จิตเป็นสุข หลังจากนั้นก็พยายาพิจารณาตามความเป็นจริงว่าการเกิดมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความแก่เป็นสุขจะเป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สมบายเป็นสุขจะเป็นทุกข์การพัดพราดแจกของรักของชอบใจเป็นสุขจะเป็นทุกข์ความตายเป็นสุขจะเป็นทุกข์อันนี้ก็ไม่ต้องคิดมาก ถ้าต้องคิดมากก็ไม่ต้องทําความดีไม่ต้องเจริญกรรมฐานเห็นแล้วว่ามันทุกข์เมื่อความทุกข์มีอยู่เราท่าจริงของความเป็นทุกข์เราก็ตัดสินใจว่าขึ้นชื่อว่าความเกิดอย่างนี้มีร่างกายอย่างนี้จะมีกับเราเป็นชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย ชาติต่อไปไม่มีอีกหลังจากนั้นก็กำหนดจิตคิดว่าการเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นพง ก, ก็ ด, นนกดีจะไม่มีสำหรับเราเราจะเป็นคนไม่โลภโมโทสันอยากได้ทรัพย์สมบัติข้าวบคนลใดโดยไม่ชอบธรรมมาเป็นของเรา <c oughs> เราจะไม่คิดประทุสร้ายใครจะเป็นมิตรนีของคนแลสัตว์ทั่วไป เราจะไม่ลหลงไหลใฝ่ฝันในร่างกายว่าร่างกายมันดีเห็นความสุขโปรกของร่างกายเห็นความเสื่องของร่างกายเห็นการสลายตัวของร่างกาย <c oughs> มีความเข้าใจว่าทุกทันหลายที่มีขึ้นมาได้เพราะใส่ร่างกายเป็นเหตุตัดสินใจว่าร่างกายเร็วๆอย่างนี้ <c oughs> จะไม่มีสำหรับเราอีกต่อไปหลังจากนั้น ทำกําลังใจให้สะอาดตามควรภาวนาตลอดรู้ลมให้ใจเขาออกจัพรูประโฉออสํเสาเร็จพระสัมมารัมพระุทธเจ้าจำใสพุ่งไปอันดับแรกนิพานเลยไปอยู่ที่นิพานจะไปอยู่ตรงไห น, นก็ได้วิมานโคราวิมานพระพุทธเจ้าได้เป็นตามความพอใจอยู่ให้ใจเป็นสุขเพื <c oughs> ่อใจเป็นสุขดีแล้วเวียนการวิสุทธ ว่าชีวิตนี้มันจะมีสุขที่มีทุกยานหรือฌานที่เราได้ความรู้ที่เราได้จะตรงหรือไม่ตรงตอนนั้นกราบทูลถามตรงอ ง, องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรื่องแรกเอานน้อยคิดว่าวันพรุ่งนี้จากเวลาที่เราเตื่นถึงกว่าจะหลับจะมีใครบ้างไหม ที่ท ำ, ทำให้เรามีความสุขแล้วทำให้เรามีความทุกข์ถ้ามีคนนั้นรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงแต่งตัวด้วยเครื่องแต่งตัวอะไรจดจำไว้พอกลับลงมาก็มาทึกไว้เขียนไว้กันลืมว่ากันนุ่งผ้าสีอะไรลักษณะแบบไหนใส่เสื้อเสี้อะไรรูปหน้าหน้าตาเขาเป็นยังไง แ้าทำกําลังใจให้เราสบายแล้วไม่สมบายเพราะอะไรเป็นเหตุเขาจะมาพูดแบบไหนเขาจะมาทําแบบไหนเพราะอย่างนี้แล้วกระดูวันทั้งวันมันถูกแร้วไม่ถูกถ้าบางวันจะถูกทั้งหมดบางวันถูกบ้างไม่ถูกบ้างครั้นี้ก็ต้องจําอารมณ์ว่าอารมณ์ของเราที่เรารู้ที่ถูกทั้งหมดเราทรงอารมณ์แบบไหนก่อนขึ้นไป แล้วก็เวลาที่มันถูกบ้างไม่ถูกบ้างทรงอารมณ์แบบไหนก่อนที่จะขึ้นแล้วก่อนจะรู้จงทิ้งอารมณ์อื่นใส ห, หมดทําจิตให้เป็นอุเบกขาสบายๆนี่ก็หมายความว่าไม่ต้องการใครว่าใครดีใครชั่วเราไม่สนใจสนใจอย่างเดียวคืออารมณ์กลางกลางอันนี้ละบรรดาเพื่อนบิสฑษ์สมณน ถ้ามันนาย่ายอมหุ้บริษัทปุบเพริวาสารติยานนี่มีประโยชน์มากทำให้คล่องถ้าทางที่ดีนะพระก็ได้ครรวายก็ได้แล้วก็ฝึกการเป็นหมอโดูตัวเองอย่างว่านี่แหละเราเป็นหมอโดูตัวเองทุกวันทุกวันอย่างนี้อารมณ์จะชินและเวลาสวับายเจะก็ทบทนถอยหลังของเราไปตามเรื่อง มองดูความไม่แน่นอนของชีวิตมองดูความไม่ทรงตัวของร่างกายมองดูกันพลัดพร้าจากทรัพย์สมบัติทั้งหลายและคนแสัตว์เป็นที่รักเมื่อตายแล้วนิพิทายานคือความเบื่อหน่ายจะปรากฏเมื่อนิพิทายานปรากฏอะไรจะเกิดขึ้นนั่นคืออันดับแรกอารมณ์พระสัจอนาคามมจะปรากฏ มันก็จะเบื่อทุกอย่างเบื่อความรักเบื่อความโลกเบื่อความโกรธเบื่อความหลงถ้าอมใจก็จะมีสุขท่านแล้วก็จะมองเห็นนิพพานได้ชัดกกลกําลังปบทเพรนิวาสามปัิญาในช่วยตัด ก, กิเลสทุกประเภทได้ทั้งหมดขอบรรดาลสาวกโคองค์สมเด็จพระบรมสุคตทุกท่านที่รับฟัง ดังนั้นปกกพฤิวาสามัญญาที่เราจะพึงได้คือการอรึกชาติถึงแม้ว่ามันจะกระจุงกระจุงก็จิจ๋มไม่จาสายชัดเจนเท่าพระอริยเจ้าเราก็ควร อ, อย่าพอใจพอใจว่าเราก็ไม่สงสัยกนการตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายจะไม่ต้องไปนั่งพนธนาบอกใครว่าตายแล้วนะไม่เกิดตายแล้วไม่สภาพสูญ หรือว่าตายแล้วเกิดแล้วไม่เคยดเขาช่างแต่ใครเข้ามาถามก็ไม่กล้าพูดถ้าไม่รู้จริงถ้าเรามีความรู้อย่างนี้เราก็กล้าพูดทุกอย่างเพราะทุกอย่างเราสัมผัสมาฉะนั้นขอบรรดาธรรมพุทธบริษัททหลายโดยชนนาธรรบรรดาเพื่อนพิโสชมเิ น, เนปุบริวาสารุปปญญาคือการปฏิบัติเข้าทิสกระพี้ความดีในพรุทธศาสนา ขอทุกท่านยนยายามทำให้คล่องแล้ทงตัวให้ดีฝึกการทรงสมาธิจากการจับผู้ภาพพุทูปที่เป็นแก้วใสกําลังใจพ่อใสความมันทิพย์จะสะอาดอรบันดาท่านพุทธบริษัทสำหรับเทพนานี้สัญญาณบอกเวลาปรากฏแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดพิพิพัฒนนาโมคลสมบูรณ์ผลผล จงมีแดบรนดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี